ที่ผมจะได้มาเล่าประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอมาให้ทุกๆคนได้รับฟังกันถึงแม้ว่าผมจะมีเวลาว่างไม่ค่อยเยอะเพราะช่วงนี้งานก็ยุ่งมาแต่ก็แบ่งเวลาเข้ามารับฟังและมาเล่าเรื่องของผมตามที่ได้สัญญาไว้ปกติแล้วผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีสักเท่าไหร่ผมไม่เชื่ออะไรง่ายๆถ้าไม่เห็นด้วยตาผมเอง เรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณห้าปีก่อนตอนนั้นผ ม, มาอายุสิบก้าปีหลังจากที่เรียนจบชั้นมัธยมตน้นผมก็ไปอาศัยอยู่กับน้าที่กรุงเทพนานๆจะกลับมาเยี่ยมตากับยายที่ต่างจังหวัดทีหนึ่งที่ผมกลับมาในครั้งนี้เพราะแม่บอกให้มาเอาหมายเรียกอะไรสักอย่างแต่อันที่จริงแล้วผมไม่อยากมาด้วยซ้ำเพราะไม่ใช่ช่วงเทศกาล กลับมาก็ไม่มีอะไรครึกคื้นแต่พอคิดถึงตากับยายที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กก็เลยบอกแม่ว่าผมจะกลับวันถัดมาผมก็กลับไปถึงบ้านในช่วงเช้ามืดหลังจากที่ไม่ได้กลับมาเยี่ยมยายเป็นเวลาเกือบสองปีบ้านตากับยายจะเป็นบ้านไม้ยกสูงแบบคนอีสานที่นิยมกันในสมัยก่อนเมื่อมาถึง ผมก็สังเกตเห็นว่าจากบ้านที่ผมเคยอยู่กับตายายห้องที่ผมเคยนอนตาก็ให้ญาติๆมารื้อทำใหม่แต่ไม่ได้รื้อทั้งหลังยังเหลือส่วนที่เป็นห้องนอนเก่าแม่ผมกับห้องเปิดลงที่ตาเป็นคนนอนยายอยู่กับลูกของน้าชายที่เขามาฝากยายเลี้ยงอายุห้าขวบเสรศษๆก็นอนในห้องเก่าของแม่โชคดีที่กระต๊อบเก่า ที่ผมเคยใช้เป็นที่สั่งสค์กับเพื่อนๆที่หลังบ้านยังคงเหลืออยู่ผมเลยบอกยายขอให้เตรียมมุ้งกับหมอนและผ้าห่มให้ด้วยจะนอนตรงกระตอบที่แรกผมก็จะมาปูเตียงนอนเองนี่แหละแต่ยายก็เอาเสื่อมาปูจัดที่นอนให้เสร็จสับพร้อมที่จะให้ผมปูนอนได้เลยหลังจากที่ยายเตรียมที่นอนให้ผมในช่วงที่ผมมาถึง ห้องฟ้าก็เริ่มสว่างตอนนั้นเป็นเวลาหกโมงเช้าแล้วยายจึงเตรียมของไปเพื่อใส่บาตรผมก็เลยถือโอกาสใส่บาตรสักหน่อยอยู่กรุงเทพไม่ค่อยมีเวลาทำบุญเลยตอนนั้นยายกำลังเอาจานใส่ข้าวเหนียวกับนมสองชุดสำหรับใส่บาตรพระสองรูปผมเลยยืนรอท่านที่นาบานพอพระอาจารย์มาถึงแกก็ถามผมว่าเอ้า กลับมาบ้านมาทําบ้านให้ตากับยายเหรอผมเลยตอบกลับไปว่ า, มาเมาเอกสารสําคัญครับพระอาจารย์อีกเป็นอาทิตย์นู่นแหละถึงจะกลับเพราะผมพูดจบแกก็ถามกลับอีกล้าวเย็นนี้นอนบ้านแม่เหรอผมเลยตอบกลับไปว่าอ๋อนอนกระต้อบหลังบ้านครับพระอาจารย์แต่ท่นานก็พูดเป็นในๆว่า นอนคนเดียวไม่กลัวผีเหรอผมเลยยิ้มแล้วตอบกลับไปว่าผมไม่กลัวครับไม่มีหลอกผีน่ะเกิดมายังไม่เห็นสักทีครับผ้ า, าจาย์แกก็เลยพูดเรื่องอื่นถามว่าแล้ววันนี้ว่างไหมจะขอแรงไปตัดหญ้าที่วัดหน่อยอีกสองวันญาติโยมเขาจะเอาผ้าป่ามาถวายผมเลยตอบไปว่าวันนี้ผมไม่ได้ไปไหน ผมจะไปตัดช่วยครับพระอาจารย์แกยิ้มแล้วก็เดินผ่านผมไปผมไปล้างหน้าล้างตาเปลี่ยนชุดเตรียมไปตัดหญ้าให้พระอาจารย์ที่วัดแต่รอให้ท่านฉันข้าวให้เสร็จก่อนประมาณก้าโมงเช้าผมขี่รถมอเตอร์ไซค์จากบ้านมาถึงวัดเนื่องจากวัดกับบ้านอยู่ไม่ห่างไกลกันมากนากักประมาณหนึ่งกิโลเมตรได้พอมาถึงวัด ก็เห็นพวกน้องๆประมาณสามคนน้องๆต่างทักทายและยกมือไหว้ผมตามประษาวัยรุ่นคนบ้านเดียวกันแล้วผมก็เห็นพวกลุงและอารวมๆแล้วน่าจะสิบกว่าคนได้หลังจากแบ่งหน้าที่กันเสร็จพวกผมกับน้องๆอีกสามคนก็ได้ทำหน้าที่กวาดเศษยาที่พวกอาแกตัดโดยใช้เครื่องตัดยาตรงลานกว้างที่จอดรถ กว่าจะทำเสร็จตอนนั้นก็เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าๆแล้วผมเลยเข้าไปที่ศาลากราบพระแล้วก็ลาพระอาจารย์กลับแต่ก็ยังกลับไม่ได้เพราะต้องรอพวกลุงกับอาก่อนผมออกมานั่งรอที่ประตูนอกศาลากับน้องๆ น, นัดกันว่าจะไปกงเล่าที่บ้านผมหลังจากที่พวกลุงลุงกับอา คุยกับพระอาจารย์เรื่องที่มาทำความสะอาดวัดในวันนี้เสร็จแล้วพอพวกลุงกับอาจะกลาบลา ก, กลับบ้านพระอาจารย์ท่านก็พูดขึ้นมาเป็นในๆอีกว่าเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสามสีท่ทมมีคนมาขอข้าวกินที่หน้ากุฏิลุงเลยถามว่าคนที่ไหนพระอาจารย์ตอบว่าไม่รู้แต่น่าจะเป็นผู้หญิงอาตมาเลยบอกกลับไปว่า ที่นี่วัดป่าฉันข้าวมือเดียวไม่มีอะไรเหลือหลอกโยมจากนั้นพวกเราทั้งหมดก็กลับกันผมกับน้องๆก็มากงเล่าที่กระตอบหลังบ้านบรรยากาศก็ประมาณหน้าฝนเหมือนกับช่วงนี้แหละแต่มันก็แปลกๆอาจเป็นเพราะผมไปอยู่ที่อื่นมานานหลายปีนานๆนนจะได้กลับมาเลยรู้สึกแปลกๆ พวกเรานั่งกินกันจนเบียร์หมดไปประมาณสองลังกว่าๆเวลาตอนนั้นน่าจะประมาณหนึ่งทุม่มแต่บรรยากาศตามบานนอกหนึ่งทุ่มก็เริ่มจะปิดไฟนอนกันแล้วพอมองไป ร, บรอบๆก็มีแต่ความมืดแต่ผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เพราะผมเริ่มเมาหน่อยๆและเริ่มง่วงเพราะเพลีย จากที่นั่งรถจากกรุงเทพมาถึงบ้านแล้วก็ได้ไปทำงานที่วัดทั้งวันผมเลยคุยกันกับน้องๆว่าเราไปหาซื้อเนื้อมาลวกจิ้มกินกันดีกว่ากินเผ็เดๆเปรียปร้ยวๆตาจะได้สว่างอีกอย่างเดี๋ยวดึกไปกว่านี้จะหาอะไรกินยากพวกเราทั้งสี่คนเลยแบ่งหน้าที่กันผมกับน้องแฟรงเป็นคนไปซื้อเนื้อวัวที่เคียงเนื้อ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านสักเท่าไหร่ส่วนน้องนันกับเอ็มเป็นคนหาผักและเตรียมอุปกรณ์รออยู่ที่บ้านยายก็บอกไว้เพียงแต่ว่ายายเลี้ยงหลานอยู่มันง่วงมันงอแงจึงไม่มีเวลาหาอาหารให้กินถ้าอยากจะได้อะไรก็หาเอาในครัวได้เลยแล้วยายก็พาหลานไปเข้านอนก่อนที่ผมจะไปซื้อเนื้อ แฟรงก์็พูดล้อเล่นกับนันว่าฮินันอยู่กันสองคนระวังผีหลอกนะฮนันหันกลับมาตอบแฟรงก์ไม่กลัวหรอกเผีอะมาสิเดี๋ยวจะรองเท้าเหวี่ยงหน้าแม่งเลยแล้วก็หัวเราะลันพอพูดจบนันก็พูดกับเอ็มว่ามึงกลัวไหมเอ็มเผีอะเอ็มพูดขึ้นทั้งทั้งที่แววตามันไม่มั่นใจ แต่ก็กลัวเพื่อนจะว่ามันปอดแห้งเอ็มเลยพูดตามน้ำไปว่าก็มาให้เห็นสิจะลวกใส่เนื้อกินแม่งเลยต่างคนต่างท้าทายพูดไปมาไม่กลัวอย่างนั้นไม่กลัวอย่างนี้สรุปก็ท้าทายกันหมดทั้งสี่คนเนี่ยแหละหลังจากที่ผมกับแฟรงค์ไปซื้อเนื้อและกลับมาทำกินกันกันกบพวกน้องๆแล้วพอกินกันจนอิ่มและเมาได้ที่แล้ว พวกเราก็แยกย้ายกันไปผมบอกกับตาที่อยู่บนบานให้ดับไฟได้เลยเพราะดับไฟผมก็ดึงมุงที่ยายเตรียมไว้มากางเสร็จแล้วก็เข้ามุงนอนฟังเสียงนกกลางคืนเสียงจิ้งหรีดร้องจนพลอยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียผมตื่นขึ้นมาอีกครั้งประมาณตีสี่เพราะรู้สึกคอแหง้งหิวน้ำมากเลยเดินมาเปิดตู้เย็นกินน้ำ แล้วสายตาก็มองไปรอบๆก็เห็นคล้ายคนกําลังเดินผ่านหน้าบ้านไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าคนที่ปกติจะเดินกันผมมองไปจนสุดสายตาในความมืดนั้นผมก็เห็นคนซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเป็นผู้หญิงเธอสูงพอประมาณผมอยากฟูแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมกินน้ำต่อจนเสร็จแล้วก็มานอน ตื่นมาอีกทีก็เกือบหกโมงเช้าแล้วผมเลยรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วยายก็เรียกให้ผมไปใส่บาตรแทนเพราะกลัวจะแต่งตัวให้หลานคนเล็กไปโรงเรียนไม่ทันผมเลยได้ใส่บาตรแทนยายพอพระอาจารย์มาถึงนาบานพระอาจารย์ก็เปิดฝาบาตรแล้วถามผมคำหนึ่งว่าเมื่อคืนนอนดึกเหรอผมก็เลยตอบไปว่าใช่ครับ นั่งกันกันกบไอ้แฟรงไอ้เอ็มไอ้นันคุยกันตามราษาเพราะผมพูดจบพระอาจารย์เลยถามกลับมาเหมือนอยากจะบอกอะไรสักอย่างซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกขนลุกเพราะว่ายัางไม่เคยรู้สึกมาก่อนพระอาจารย์ได้บอกว่านอนดึกหนะอย่านอนเลยไม่ดีต้องนอนแต่หัวค่าจะได้ไม่เห็นอะไรนอนดึกหนะ ระวังเห็นคนบ้าเดินมาให้เห็นนะพอพระอาจารย์พูดจบแล้วก็เดินจากไปคำพูดนั้นมันทำให้ผมคิดถึงตอนที่ตื่นมากินน้ำแล้วเห็นเป็นเงาเดินผ่านหน้าบ้านแต่แล้วผมก็ไม่ได้สนใจอะไรและก็ลืมมันไปจนผมได้เจอกับเอ็มที่มาหาเป็นคนแรกเอ็มพูดกับผมว่าพี่เมื่อคืนตอนที่ผมกลับไป ที่บ้านผมก็นอนกันหมดแล้วผมว่าจะหาอะไรกินสักหน่อยแต่ผมไม่กล้าเปิดไฟกลัวแม่บ่นว่าผมกลับดึกก็เลยใช้แสงไฟจากโทรศัพท์ส่องสว่างเพราะผมกินได้คำสองคาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างบ้านผมเลยปิดแสงไฟจากโทรศัพท์แล้วค่อยๆ ย, ยองมองลอดช่องลมไปที่กระมังแช่ชามก็เห็นเป็นคน กำลังค้นหาอะไรอยู่ในกระมังแช่ถามแต่ในนั้นมีถ้วยที่ใส่กับข้าวเก่าที่แม่ผมไม่ได้เททิ้งพอมันเจอมันก็เอามือหลวงกินเหมือนคนหิวมากอะพี่พอกินเสร็จมันก็ค่อยๆเดินมาทางข้างครัวที่ผมอยู่แล้วเหมือนผมจะได้ยินมันพูดว่าแ่วนี้มีแต่บ้านร้างไม่มีของกินเลยหิว เสียงนั้นมันยังดังติดอยู่ในหูผมอยู่เลยพี่ผมได้ฟังก็จินตนาการภาพเหตุการ์ไปด้วยแต่ก็ยังไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอกผมคิดในใจหลังจะคุยกันเสร็จผมก็มานอนคุยเล่นกับช่างที่มาทำบ้านให้กับตาตกเย็นช่างก็กลับไปหมดแล้วส่วนผมก็อาบน้ำกะ ว, ว่าจะกินข้าวแล้วนอนให้หายเพลีย แต่พอเข้านอนแล้วมันกลับนอนไม่หลับเพราะเป็นคนนอนดึกจะให้มานอนแต่หัวคำ่ำมันก็ยังไงอยู่จนถึงเวลาประมาณสี่ทุมในละแวกบ้านที่ผมอยู่ก็นอนกันหมดทุกบ้านเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงโทรทัศน์เล็ดลอดให้ได้ยินมีแต่เสียงนกเสียงจิ้งหรีดร้องระงมแล้วก็เกิดบางสิ่งที่ทาให้ใจผมเต้นแรงเพราะตกใจสุดขีด มาที่ยายเลี้ยงไว้จูจๆก็เห่าเสียงดังมากเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาในเขตรัวบ้านผมค่อยๆลุกขึ้นตอนนั้นคิดว่าต้องมีคนเข้ามาแน่ๆเพราะลุกนั่งได้ผมก็มองผ่านมุงออกไปมองหาบริเวณหน้าบ้านเพราะบ้านที่กำลังสร้างก็เพิ่งจะทำโครงสร้างอยู่ยังไม่ได้ก่อรอบบ้านจึงสามารถมองเห็นผ่านตัวบ้าน ไปจนถึงหน้าบ้านได้ผมมองผ่านความมืดสลัวมีเพียงแสงจากดวงจันทร์เท่านั้นที่สว่างพอให้มองเห็นได้แล้วผมก็เห็นคนนั่งอยู่บริเวณหน้ากอกน้าหน้าบ้านกำลังคุยถุงขยะเศษียรหารของช่างที่มาทำบ้านเหมือนจะหาอะไรกินเมื่อผมมองดูได้สักพักก็รู้เลยว่าเป็นคนคนเดียวกันกับที่เดินผ่านหน้าบ้านเมื่อคืน ผมไม่กลัวเพราะคิดว่าเป็นพวกสติไม่ดีมากกว่าเลยการจะเดินไปไล่แต่เหมือนกับว่ามันจะรู้ตัวแทนที่มันจะวิ่งหนีมันกลับไม่ไปตอนนั้นผมยังอยู่ในมุงก็เห็นมันค่อยคอยยืนขึ้นแล้วก็เห็นว่ามันสูงกว่าที่ผมเห็นเมื่อคืนพอมันยืนขึ้นจนสุดก็สูงเกือบถึงจั่วหน้าบ้านผมตกใจแทบชอก ในขณะเดียวกันนั่นเองก็ได้ยินเสียงแวววๆในหูของผมว่ามีคนอยู่ใช่ไหมขออะไรกินหน่อยหิวมาที่เลียงไว้ก็เห่าดังลันจากนั้นมันก็เดินอ้อมคางบานจะมาทางกระตอบที่ผมนอนตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกที่กำบังผมอย่างเดียวที่มีก็มีเพียงแต่เสากระตอบต้นเดียวที่อยู่ข้างหน้าผมเท่านั้น แล้วมันก็เดินมาทางเสานั้นเพียงชั่วอึดใจเดียวมันก็หายวับไปในความมืดผมแทบสตีแตกมันวาดระแวงไปหมดสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้ผมไม่กล้าแม้จะเดินออกจากมุงทุกครั้งที่ผมคิดถึงเรื่องนี้ทีไรมันก็ยังคงทำให้ผมผวาจนถึงทุกวันนี้นี่เป็นเรื่องที่ผมรวบรัด ยกแค่เรื่องของผมกับเอ็มมาเล่าเพราะงานที่ผมทำอยู่ทำให้ผมมีเวลาพักผ่อนไม่มากนักยังคงเหลือเรื่องราวของอีกสองคนคือแฟรงก์กับนันซึ่งได้เจอแบบเดียวกันแต่สองคนนั้นมันเจอหนักกว่าผมเยอะถ้ามีโอกาสผมจะกลับมาเล่าอย่างละเอียดให้อดมินและเพื่อนๆชาวสมัมผัสสยองได้รับฟังกันอีกเพราะนั่นคือจุดเปลี่ยนของชีวิตผม จากคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีกลับกลายมาเป็นคนที่พบเจอเรื่องราวแบบนี้และมันทำให้ผมเชื่อราบเท่าทุกวันนี้ สมภัสสยอง